ตัดหอาธรรมใส่ห้าธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับผมอยากฝากอีกว่าการดำเนินชีวิตของพวกเราให้พยายามตัด5อาธรรมและใส่ธรรมะ5้าตัวได้ไหมอาธรรมห้าตัวที่ต้องทำลายคือหลงโลภโง่ โกงกัดการเอาไปจากตัวให้ได้อย่าหลงอะไรไปกับกระแสโดยที่ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วโลภก็ไม่ต้องขวนขวายมาจะต้องไปโกงกินอะไรก็ไม่ต้องไปเอาถ้าหลงแล้วโลภแล้วมันก็ต้องไปโกงเขาแล้วก็ทุกข์และหลายครั้งก็ทำอะไรโง่ด้วยเป็นอยู่ตลอดเวลากัดกันนี่ไงกัดกันรอบเมืองไปหมดฉะนั้น หลงโลภโง่กัดอาธรรมห้าตัวเนี่ยเอาออกไปกลับมาที่พระเจ้าอยู่หัวบอกให้พอดีเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอดีเราต้องคิดต่อว่าพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอย่างนี้ต้องคิดต่อทันทีเลยก็เลยคิดมาได้ห้าประการด้วยกันอยากเรียนฝากเอาไว้ ประการแรกสร้างความพอดีให้เกิดกับจิตใจให้ได้ก่อนใจของเราต้องไม่ไปสุดกู่ด้านใดด้านหนึ่งระดับจิตใจของเราต้องอยู่ในความพอดีมีความเอื้ออาทรต่อกันความพอดีด้านจิตใจเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในสังคมคนเดียวเราต้องอยู่ร่วมกันอยู่ในครอบครัวก็มีครอบครัวอยู่ในที่ทำงานก็มีเพื่อนร่วมงาน เพราะฉะนั้นประการที่สองความพอดีในด้านสังคมจึงเกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับรอบๆข้างนั้นจะต้องสร้างให้เกิดความพอดีขึ้นมาความพอดีด้านที่สมคือความพอดีด้านเศรษฐกิจอยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปซื้อทองใส มันกินเข้าไปไม่ได้ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีอะไรหรอกช่วยตัวเองได้แค่ไหนให้ช่วยตัวเองถ้าปลูกผักหญ้าหลังบ้านได้ก็ปลูกไปมีรถพอที่จะขี่ได้ขนาดไหนก็ขี่ขนาดนั้นไม่ต้องไปขวนขวายอันนี้คือความพอดีทางด้านเศรษฐกิจถัดไปความพอดีทางด้านเทคโนโลยีเป็นประการที่สี่ ในบ้านเมืองเราต้องสนใจเทคโนโลยีด้วยไปอยู่แบบล้าหลังก็ไม่ใช่แต่ก็ต้องเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นฐานของเราเอาเข้ามาใช้จะได้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อ, อย่างมั่นคงและยั่งยืนยึดประโยชน์สุขเป็นที่ตั้งความพอดีที่5คือความพอดีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ใช้อะไรแต่พอดีอย่าทิ้งคว้างทิชชู่อย่าเช็ดทีเดียวแล้วทิ้งใช้จนกระทั่งมันขาดแล้วค่อยทิ้งถ้ามีผ้าเช็ดหน้าใช้ผ้าเช็ดหน้าดีกว่าเพราะเย็นไปซักพรุ่งนี้เช้าใช้ได้อีกมีลูกก็ฉีกผ้าอ้อมซะอย่าไปเอาแผมเพิดฉีออกมาก็กลายเป็นขยะแล้วทิ้งขยะออกมากี่ก้อนต่อวันคิดกันบ้างหรือเปล่า พื้นที่รองรับในบ้านในเมืองในโลกเนี้ยมีพื้นที่เท่าเดิมพะอ้อมเนี่ยลูกคนนี้ใช้ลูกคนต่อไปก็ใช้ได้อีกไอแพรเพิสเนี่ยใช้ทิ้งๆิง้วัฒนธรรมใช้ทิ้งเนี่ยเราก็นำเข้ามาจากต่างประเทศเราทิ้งความฉลาดของเราไปเพื่อนำไปสู่ความอะไรของมันก็ไม่รู้ได้เมื่อนาอาธรรมหาประการออกไปแล้ว ก็ขอให้นำธรรมะห้าประการจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอดีทั้งห้าด้านใส่เข้าไปแทนอาจจะเป็นเรื่องลำบากอยู่สักหน่อยเพราะคนไทยส่วนใหญ่เคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเกินพอดีมานานแต่คงไม่ยากเกินไปหากคิดที่จะเปลี่ยนแปลง มีชีวิตที่ดีในโลกไร้พรมแดนในแผนพัฒนาฉบับที่เก้าซึ่งสภาพัฒน์หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับจังหวัดอนุภาค และระดับชาติได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนาในทุกเรื่องและเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมโดยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่8ด เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาพิวัตรความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใ จ, ใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ทางสว่างให้คนไทยมานานแล้วทั้งมีพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมานานเกือบ30ปีและยังทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างเพียงแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นไม่สนใจกันประเทศชาติก็เลยต้องย่ำอยู่ในวังวนของปัญหากันอย่างนี้ยังไม่สายเกินไปหรอกครับ ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านตรงนี้ไม่ใช่เพื่อใครอื่นก็เพื่อตัวท่านเองเพื่อให้ความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นกับตัวท่านและเมื่อทุกคนมีความสุขมีความพอดีเป็นคนดีมีธรรมะเมื่อนั้นประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะสงบสุขร่มเย็นคนไทย ก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาที่ผิดทิศทางเช่นทุกวันนี้เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือทันทํางานทุกวันเมื่อไร้เราทำอะไรที่เกิดทอแค่มองดูรูปบนข้างฝา กำลังใจจากรูปนั้นเป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจงหรือว่าจะใกล้ไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรัก ด้วยพักดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพักดี